มีความรู้สึกตัวอยู่ที่กายกายก็มีจริงๆิ่งมีความรู้อยู่สึกตัวที่กายจริงๆรงอย่าเพิ่งไปเอาผิดอย่าเพิ่งไปเอาถูกอย่าเพิ่งไปกลัวทุกข์อย่าเพิ่งไปอยากได้สุขไม่ต้องไปเป็นอะไรกับมันละความรู้สึกตัวนี่มันมาเหนือเมฆมันมาเหนือแต่ทุกข์เราก็ฉีดคอความทุกข์ความรู้สึกตัวมันเปทางนั้นแม้มันมีสุขก็ฉีดคอความสุข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 ทำไมเราจึงทุกข์ทำไมเราไม่รู้มันไม่สะดวกถ้าว่ารู้แล้วยเยมันไม่รู้ก็รู้แล้วมันรู้ก็ร <sh eda? te traverse> ู้แล้วมันสุขก็รู้แล้วมันทุกข์ก็รู้แล้วนะแตู่สะดวกเห็นแบบสะดวกสบายมันหลงก็รู้แล้วคือความหลงมันสุขก็รู้แล้วคือความสุขมันทุกข์ก็รู้แล้วคือความทุกข์สะดวกสบายคาว่ารู้แล้วรู้แล้วนะเป็นภาษาที่ง่ายๆเป็นภาษา เอาไมา่ใช่กับชีวิตของเราเป็นตัวเฉลยแล้วสติสัมปชัญญะมันก็เป็นเช่นนั้นนะมันเฉลยแบบนี้มันรู้แล้วรู้แล้วมันว่าอย่างนี้นะความรู้แล้วแต่มันเบาจะยิ้มก็ได้ยิ้มหัวเราะความทุกข์ก็ได้ยิ้มหัวเราะความสุข ก, ก็ได้ยิ่งหัวเราะความโกรธก็ได้เราว่ารู้แล้วเน่ยมันเบาเบาหรอกนะเออไม่ไหวไม่ไหวมันหนักหนักสหน่อยทําไมจึงเป็นอย่งย Run, าง period? นั้นทําไมจึงเป็นอย่างนี้มันหนักนะ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 เห็นทั้งสุขเห็นทั้งทุกข์นะเห็นทั้งผิดเห็นทั้งถูกนะเห็นหมดทุกอย่างที่มันแสดงมันแสดงเหมือนเหมือนกันชีวิตเราเหมือนกันทุกคนนั่นแหละว่าแต่เราดูตัวเราถ้าเราดูตัวเราก็เท่ากับกระจายอานาจการปกครองไม่ใช่ว่าการปกครองกระจายอานาจอ่ตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต อ, อาตั้งกรรมการอ่ตั้ง วายวัาจการออดตั้งผู้ช่วยอันตั้งเลขาอันนั้นไม่ใช่กระจายอานาจตามความเป็นจริงกระจายอานาจตามความเป็นจริงคือ่นสติดูแลตัวเองให้คนไปดูแลตัวคุณเราเองอานาจก็อยู่กับคุณคณจะแก้อะไรก็ต้องแก้ตัวคุณคณอย่าเพิ่งไปแก่คนอื่นถ้าคุณแก้ตัวคนได้แล้วคุณเห็นตัวคุณทุกแง่ทุกมุม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 โอ้มาจูจากหลวงพ่อเทียนพอเห็นรูปเหนนามโอ้หลวงพ่อเทียนอยู่ตรงนี ja um ้นาะโอ้ฉลาดเนาะหลวงพ่อเทียนพระพุทธเจ้าโอ๊ยช่างฉลาดเหลือเกินพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้รักพระพุทธเจ้ารักธรรมรักปินัยรักครูอาจารย์เคารพเพื่อนไม่มีใครที่เราไม่เคารพเลยถ้าเราอยู่โดยชอบตร่านั้นถ้าอยู่โดยชอบจริงๆเราโกรธกันก็ไม่เป็นด่ากันก็ไม่เป็น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 แต่เป็นบุตรปัญญาสามีก็ลาบเลือนถ้าเราไม่มีปัญหาแม้เราจะรักมันใจจะขาดถ้าตัวคนที่เรารักในปัญหามันก็ไม่สาเร็จตกนะเพราะนั้นจะมาสร้างความรักที่เป็นอมตะคือในละปฏิบัติทำในละพระพุทธเจ้าของเราเป็นยอดนักรักนะนี่เราก็จะอยู่เข้มสาตามสมมติปัญญตัติตามสมมติปัญญตัติถ้าเราพบกับตั้ต้นเริ่มต้นที่ตัวปฏิบัต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 ไย่ใช่จะไปเทศจองเดี๋ยวโยมท่านสิบท่านหาเป็นเทวายุสันพ่าย้อนย้อนเลยโยมนะเห็นสวรรค์ของน่องอย่ามาของยยคีดินเลยโยมเลยมากลายแบบนั้น